บุกทูยี่สิบเอ็ดอุต่ออรธการสนทนาสองอัตราอรัตรดิอาล وج ีโอรคุณมาจากไหนคะ ซาเ a อร์ริคาร์ตมาจากบาเซลค่ะบาเซลีดันบาเซลีดันบาเซลอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์บาเซลีสวร์แีส ดิฉันขอแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณมิวเลอร์ได้ไหมคะ s l e a bat oni m l e r i a r m o g i ginot. s l e a bat oni m l e r i a r m o g i ginot. เขาเป็นคนต่างชาติ Is u t l i a Is u l i a เขาพูดได้หลายภาษา ออสรนอนลคุณมาที่นี่ครั้งแรกใช่ไหมคะอักยเวลคารเวลไม่ใช่ดิฉันเคยมาที่นี่เมื่อปีที่แล้วคะ่อะอะไรอักชาร์ชนโอควิวิกาวิอ แค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นค่ะคุณชอบที่นี่ไหมคะโรกรมกจงตชเวนทนั น, น, ทนคนที่นี่ใจดีดิฉันชอบมากค่ะ ซาเลียนอจซาเลียนยามวนัธธลนีอลสาาเลียนอจาเลียนยามวนลีอาและดีฉันก็ชอบทัศนียภาพด้วยค่ะาบูนบัมมสาบูนบมมสคุณทำงานอาะไรคะราปรอเซสาร์ตราปรซสาร์ ดิฉันเป็นนักแปลเมธาร์จิมานิวัลเมธาร์จิมานิวัลดิฉันแปลหนังสือเมธซิกเนปส์วทาร์กมณีเมซิเนิปส์วัฏจักมณีคุณมาที่นี่คนเดียวใช่ไหมคะควนักมาร์ตูคาร์ท ักมาร์โตาร์ไม่ใช่สามีของดิฉันก็มาที่นี่ด้วยค่ะอาาเชมิโซลิตเชมิควาริตส์อาริสอาาเมิโซลิตเมิคมาริต์อาริสและนั่นเป็นลูกทั้งสองคนของดิฉันอีกเชมิโอริเวชวเลีย อีก и чеми ориве швилия»